สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปรลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 9 9เรื่องที่สองนะ mm hmm. อันนี้เป็นเรื่องของคุณคิงเองครับอืมอืมอืมอ่ามันเกิดนานแล้วนะพี่แจ๊คถามว่าเศร้าไห้ก็เศ้าอีกแหละว่าเนี่ย จ, จะมาพอ้อเขาอันนี้ mm hmm. อันนี้เป็นเรื่องที่คุณคิงบอกว่าเป็นเรื่องของดอกไม้นี้ที่เจ็บปวด ใช่ครับเมือม่ อ, อก่อนเนี้ยผมร้องเพลงเนา ะ, ะผมร้องเพลงแล้วก็จะมีพี่พี่ผู้หญิงที่ผมรู้จักสองคนตั้งแต่สมัยที่อยู่เทพด้วยกันเขาเป็นเด็กพาณิชย์ที่ดังที่หนึ่งแงยสมัยเรียนแล้วก็เด็กเกรู้จักกันแล้วก็นับสื่อกันวันหนึ่งแกก็ไปเปิดร้านอาหารทางภาคใต้ผมขอยานาตไม่เลย จังหวัดเลยก็ได้ผมว่้ผมเคยเอ่ยหรือเปล่านะแต่ขออนุาตไม่เอ่ยตรงนี้ดีกว่าอือแล้วร้านของเขาเนี่ยผมอยากให้ดูแจ้งดึงภาพนะร้านของเขานะมันจะอยู่หวโค้งเป็นแยกแล้วร้านเขา อ, อยู่หัวโค้งเลยอยู่ชั้นบนโดยเขาแบ่งเท่าส่วนชั้นล่างเนี่ยเป็นอ่าร้าน ส, นสวยๆซึ่งกลางวันเขาเปิดส่วนร้านของพี่าวของเนี่ยกลางคืนเขาเปิดครับแบ่งกันใช้ไงแบ่งกันใช้อย่างงี้ และร้านเขาเนี่ยเป็นเป็นเป็นแบบเหมือนเป็นขับเล็กๆมีกินมีดื่มอย่างเงี้ยครับฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นคลองเล็กๆมีบรรยากาศพอให้ดูน้ำมานะแต่มือนก็ไม่ถึก็เป็นบรรยากาศน่าดูมากหรอกเพราะมันเป็นคลองอะไรให้สยแต่ในเวลากลางคืนมันจะมีสวยมากเพราะว่าบรรยากาศมันลื่นตาไงเรานูข้ามมันลื่นตาเราจะเป็นมีคนไทยบ้างมีอ่พี่หญิงที่เขามีสามีสั่งติเนี้เขาจะพาฝรั่งมาเที่ยวบ้างครับส่วนใหญ่ ก็ไม่ค i mean i mean so ่อยมีอะไรหรอกวันหนึงที่เขาเนี่ยเขาก็เรียกผมมาว่าเฮ้ยไอชินแกมาช่วยร้องเพลงที่ร้านที่อไหมผมก็บอกว่าร้านที่มีอะไรบ้างผมไม่มีเลยมีกีตาร์ตัวเดียวได้หนึ่งโฟก็งได้ไหมเก็บอกได้ได้ก็คือไปไปช่วยเขาแล้วก็เหมือนกับอยู่ร้านเนีเขาไปด้วยเกือบพี่น้องเพื่อนกันเพื่อไปสนุกสนุกครับแล้วพอเราไปอยู่เนี่ยเราจะเห็นว่าจะมีเด็กผมไม่แน่ใจว่าเป็นเด็กประเทศไหนแต่รู้ว่าเป็นต่างด้าวแหละ เขาก็จะมาขายกอกไม้เขาขายหลายๆร้านเลยย่านนังก็จะเป็นย่านเหมือนเป็นแบบที่ท่องทเที่ยวนละ้มีร้านนึงร้านนี้ร้านนั้นเล้วกจะเป็นขายดอกไม้ซึ่งมันมีทั่วไปอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าที่ไหนก็จะมีเด็กตจะมากันสองคนที่แรจะมีผู้หญิงกผู้ชายนะเะเด็กผู้ชายโดยที่จะเดินขึ้นมาเป็นไดชั้นบนแล้วมาถึงจะสืเด็กเด็กคนเนี้จะไม่ไม่ไม่คุยกับผมไม่เล่นกับผมเลยนะเหมือนความว่าผมน่าดูมั้ง เขาก็จะไม่คุยอืมจะมองเอ็คนเป็นน้องนี่จะมองตาคว่ำเลยนะผมก็จะหัวเราะแล้วผมก็จะพยายามพูดภาษาไทยเขาบอกกินขนมไปเนียนเ่ยครับกินเบ้าเอาเลยมองตาความมา่ำไม่กินขนมเลยกินไหมอ ม, มองดีๆมองหน้าละก่อนยิ้มยิ้ที่ยิ้มยิ <c> ้ม <oughs> หัวเราะได้อะไรแย่เขาแล้วเราก็เอาขนมให้ะที่เขาก็ไม่เคยหัวเราะเขาก็จะมองตาคว่ำแล้วไม่เข้าใกล้ผมจะเป็นพี่สาวเขาเนี่ยจะดูเหมือนจะอาทยาใส่ดีหน่อยก็จะหัวเราะยิ้มยิ้มแล้วก็จะให้ตังค์บ้างให้ขนมบ้าง เขาไม่เคยขายดอกไม้ให้ผม ไ, มได้สักดอกหนึ่งเลยเพราะผมไม่ซื้อผมให้ตังกินมมนมผมให้อะไรเองจะไปโต๊นี่บนโตนี้โตนั้นจนเป็นอย่างเงี้ยเป็นภาดชินตาคือเช้าวันเลยเขาจะมาช่วงประมาณสองทุ่มครั้งหนึง่ง<ห>แล้วก็สี่ทุ่มห้าทุ่มครั้งหนึงหน่งระมาณอย่างเงี้ยสองทกว่าสามทุ่มแล้วก็สี่ห้าทุ่มหาทุ่มกว่าทิ้งคืนประมาณเนี้ยมาคืนละสองครั้งคืนละสองครั้งจน มันหายไปอ่ะเด็กสองคนนี้หายไปออืความที่เราเคยเห็นทุกวันเราก็รู้สึกใจหายแล้วหายประมาณสองวันแล้วผมว่าเอี่ไปไหนกันวะแล้วคืนนั้นน่ะที่ผมกําลังบนอยู่บอกพี่อ่าพี่พี่อยู่ในทีแน่แย่เปลี่ยนผมไม่เห็นหเด็กสองคนนะั้นมาเลยพี่ไปไหนกันนะครับเราก็คิดถึงกนะันแล้วเด็กตัวเล็เคยมานั่งเดินให้เราเห็นนะเตรียมพื้นสนมมาให้สองวันแล้วไม่เจอเลยออื ย่งไม่รู้เหมือนกันเราพี่ก็ไม่เห็นนลยพี่ก็มาเปิดร้านเาพร้อมเราเนะี่ยเรามาที่เรามานั่งรอพี่เราเห็นแล้พี่มาหลังเราอีกพี่ยังไม่เห็นเลยไรู้ได้ไงถ้ามันไปไหนว่า ห, หน่าหน้าหน้าเห็นใจเหมือนกันนั่นบางทีไม่รู้พ่อแม่เขาจะลากไปขายดอกไม้ที่ไหนอืมหรือว่าไปทําอะไรหรือใครแบบนี่จะชีพห ร, รอกอะไรหมดเรากำลังคุยกันอยู่คนะือเหมือนเวลาเขาเป็นฝันทุ่วันที่ฝนตกเนอะอยู่ดีผมก็กาลังนั่งนะแขกไม่มีเลยวันนั้นนะ่ะแขกไม่มีแล้วก็ แยนก็เลยเปิดเบียร์มานั่งดื่มเหมือนคือมื่อก่อนผมดื่มผมก็ดื่มดื่มกับแยนอยู่มันนิ่งแฉะเลยฝนกของคาเนี้ยสกพัดเด็กคนนี้ขึ้นมาแยนนะแยนนะออกไปข้างนอกส่งแยนพอดีเลยผมก็อยู่ข้าร้านคนเดียวเด็กคนนี้ขึ้นมาขึ้นมายืนตรงหน้าประตูผมก็หันไปอ้าว กำลังคุยถามหาเลยมานี่นี่มาเี๋ยเดี๋ยวเเดี๋ยวป๊ดีี๋แป๊บก่อนลูกพี่แล้วผมก็วิ่งเข้าไปในเคาน์เตอร์สงที่แบงเพ่อทางกัข้าวน่ะวิ่งเข้าไปเสร็จวิ่งออกมาหายไปเลยพี่แจ็คผมว่าไอ้มันสงไัยมันกลัวเว้ยมันไม่ได้เจอเราตั้งสอวันคือเราทำท่าแบบนี้เดี๋ยวี่นี่เราวิ่งเข้าไปในเคาน์เตอร์แล้วเราวิ่งออกมาอ้าวไอ้สงสัยมันกวเราเดี๋วไม่อรอบก่อนแต่เราก็เราก็เหมือนกับมันอะไรที่มันติด ก็เวียนก็กลับมาผมก็เลยบอกเวียนว่าเออพี่มาที่โตเล็กมานะแต่มไมเห็นพี่สาวมันมันไปไหนอบอืเออเหรอเออเออพอดีแล้วก็เคงเหนือแถวนี้แหละก็คงไปขายเดี๋ยวร้านน้นบ้างร้านนี้บ้างมาที่เราไม่ได้ก็ไปที่อื่ น, นยอย่าเงี้ยหรือว่าคงจะเวียนมาจนจุดก็มีลูกค้ามาบ้างอะไรบ้างเป็นกิจผนลนที น, นี้ขอให้พี่เอกที่แจ้งลูกค้านะว่าบันไดขึ้นร้านเนี่ยมันเป็นบันไดเหล็กแล้วก็จะมีประตูรั้วเล็กๆติดตรง หัวบันไดเอาไว้มมไม่ให้คนขึ้นถ้าเราปิดประตูแล้วนะซึ่งก็ปิดแล้วแยงก็ไปแล้วอนอนแล้วเดือนลอยผมก็เวันนั้นแบบไม่ไปไหนขนซุก ย, ยินนี่แหละเช้าๆขนตาแล้วค่อยไปจต่วานั่งดื่มกันใครจะไปนอนก็ไปนอนอมผมเนี่ยเห็นไ้เด็กคนนี้ยขึ้นมาใหม่หนาคนเดียวผมอเอามานั่งก่อนเดี๋ยวขนมให้ ไม่เคยเข้าใกล้ผมเลยพี่แจ็คแต่วันนั้นมานั่งใกล้ๆผมมานั่งใกล้ๆผมเลยแล้วก็มานั่งมองหน้าผมอะ่ะตัวนี้เปียกหมดเลยนะผมก็่ามนเล่นน้ำี่ไหนาลุวฝนตกหรือมันกนมาวะวก็นั่งมองหน้าแล้วก็ถามผมคุยเยอะวอะันนั้นผมเหมือนแบบเราตึงๆไม่นียนเราก็ถเฮ้ยที่ไม่คุยเลยเนะี่ยกลัวจริงๆอะ่ะอันนี้ไม่กินตับเด็กเราฉีดยามาเรียบร้อยแล้วเป็นโรคพิษตุนักรบเราก็แสวเล่นอยนะ่างนั้น เก็ไม่ตอบแล้วก็มองหน้าผมเฉยเหมือนคนเพลเจอร์อ่ะมึนๆแล้วคุยไปเด็กๆก็ไม่ตอบนี่แล้วเราก็เลยเดินหรอกยันนี้ไม่ต้องวิ่งนะเด็กจะเดินแตเอาขนมให้หูือป่าดอกไม้ดอกอะไรเนี่ยเอาเอาวันนี้เอาวันนี้เอาันนี้นี่กี่ดอกเนี่ยเอานี้เอาวันนีเดี๋ยวส่งมาให้ผมเป็นกำมือผมก็ดึงมาดอกเดียววางไว้อันนี้เอาไปร้อยหนึ่งเด็กกลับบ้านไว้เดี๋ยวเดี๋ยวแม่เงาีไม่ได้ตังค์เอาไปร้อยหนึ่ง้วผมก็เดินเข้าไปที่เคาน์เตอร์จะเอาขนมมให้ อยไปทํากับข้าวให้เขากินด้วยแหละเราเหมือนเราแกลายเป็นผูกพันนะพี่แดงครับกลับมาไม่อยู่แล้วอ๋ออืออือแต่มีดอกกุหลาบดอกนึงวางเอาไวเ้เกียดเก่าๆครับผงว่าเอา้าไอ้นี่ตังก็ไม่เอาด้วยนะออืตังก็วางไว้ตรงนั้นใช่ใช่อเอ้าไอน้นี่มันทําอะไรของมันวนยตังไม่ได้หรือมันกลัวเราจริงๆว่าเราค่อนนิดสารพัดว่าเราเราพูดอะไรให้มันเข้าใจผิดหรือเปล่าหรือภาษาไม่ตรงกันแล้ว แล้วเด็กมันก็้าใจนเะพราะเด็กคนนี้จะไม่คุยกับผมอยู่คนเดียวแต่ครั้งเนี้ยผมว่าที่จะนั่งไกล้ๆผมเนี่ยผมก็ยังลูปหัวลูปหลังเล่นอยูอ่ออืก็นะเราเรากลายเป็นรักไปเรียนดูไปแล้วอะ่ะอืนั่งกินอย่างนั้นจนประมาณสักปีที่ปีห้ามั้งมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีเท่าไหร่เรื่องการดืมนะ่ ม, ม น, นะเมื่อกอบนะเราก็ยังหนุ่มๆอยู่ยังไหวอยู่ก็ปีสี่ปห้าคนเริ่มมุงตรงตรงคลองฝั่งตรงข้ามเนี่ย มันคนเขาไม่ใช่วิถปกตินะปกติเขาเรียน ง, ง่ายว่าเงเป็นพลาเดินมีตาบาดอ่ะครับผมก็นั่งมองอยู่ข้างบนร้านนานแล้วนะพี่ครับตอนแรกก็สองคนสามคนผมก็ไม่เอกใจมันงจะมองปลามองอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเริ่มเป็นกลุ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ แ, แล้วมีเด็กตบแซกต่อแจงอนะ่ะผมก็เลยเดินถือแก้วแก้วเหล้าหรืแก้วนิดครับอย่างอุตส่าห์อย่างเงี้ยถือแก้วไปด้วยนะคอเดินมาถึงปุ๊บโ อ, อ, อ้โหพี่แจงแบบ น้ำตาจะไหลเลยพูตอนนี้นะเด็กสองคนน่าจมน้ำอยู่ตรงนั้นทั้งคู่ทั้งพี่ทั้งน้องเลยเหรอตอนแรกไม่รู้แต่แต่ว่าผมเห็นเจ้ผู้หญิงนอนคว่มหน้าอโอ้ยที น, นี้ผมก็รีบวิ่งขึ้นไปตามแยนนะมราพอพอพแอแยนลงมาด้วยนะแล้วก็มาดูปุ๊บ เขาก็มีการเหมือนคนเขาค่อยๆเคลียือเค <uh> ียท <uh> ี่จะดึงเข้ามาให้ใกล้ๆนะพยังไงมันก็เป็นตบทมน้ำอยู่แล้วก็คลิกขึ้นมาบอกว่าคนเป็นน้องชายเกาะพี่แล้วก็แน่นอยู่ใต้หน้าอกอ่ะเกรงเสียชีวิตที่กินมาทั้งหมดในคืนนั้นพี่เชื่อมมันหายไปไหนหมดไม่รู้เู้หัวเล่าอ่ะนะครับครับ มองหน้าเวียนเวียนร้องไห้แล้วมืติดปากแล้วผมผมก็ร้องไห้ไปด้วยเลยแล้วเมื่อคือผมยังเห็นมันอยู่เลยพี่ผมว่าแล้วมันทําแตกๆผมให้ตังค์มันก็ไม่เอาอืแล้วมันก็มีนู่นนี่นั่นมาดูศพมีเพืนที่มุขที่อะไรมาดูเขาบอกตายได้สองวันแล้วะจะเป็นวันที่สามส อ, สองวันถ้าถ้าสามนี่โอ้โหศพก็น่าจะมีอาการโทษนะฮะเริ่มจะอืดแล้วนะ ถ้าอยู่ในน้ำใช่ใช่เขาว่าเกิ่ยเกี่ยวช้ํา้ำแลยวโอ้โอครับคือเขาบอกว่าตรงไปเด็กสองคนโคงเล่นน้ําอือจากตรงไหนไม่รู้แหละครับเพราะว่าผมมีคนที่เขาอยู่เนี่ยเขาบอกเเห็นเด็กสองคนมาเล่นน้ำเขาไปเขียอ่เล่นน้ําแบบเอาเท้ายื่นไปอะทำภาษาเด็กอ่ะครับครับพลังงี่ก็แย่ละน้องเนี้ยออืแต่ผมว่ามันไม่สําคัญตรงไหนหรอกพี่แจ๊คที่มันเศร้าที่สุดคือเด็กมันผูกพันที่ร้านที่พวกผมอยู่ออื ไปตรงไหนไม่รู้อ่ะจะทนน้าหรือตามน้ำหรือจะตกมาติดตรงเนี้ยมาเออมาคือโทษนะฮะคือมาติดมาโผล่ตรงนี้คนมาเห็นตรงนี้ว่าอย่างนั้นเหอะคนมาเจอศพตรงนี้คนที่มาหาผมตอนกลางคืน ม, มานั่งจ้างหน้านะี่ะผมว่า<ข>ผมว่าเขามาขอความช่อเหลือแต่เราไม่รู้ไม่รู้ยีเออ่เราคุยกันบนเว็บต่างอ๋ออ๋เ อ, อ, เ, อ, อเขาก็ไม่รู้ว่าจะบอกเรายังไง ใช่ครับเราก็ไม่รู้เจตนาลมของน้องว่าน้องมาแค่มาขายดอกไม้เป็นปกติหรือเปล่าแต่อาการของน้องวันนั้นคือ <c oughs> ปกตคออิครับโ อ, อ, อ, อ้โอโ้โอ้อโอ้โอคือเสียไปแล้วสองวันน่าจะจมมาจากที่อื่นแล้วลอยมาติดอยู่ตรงนี้เนี่ยที่มันมันติดอยู่ในใจผมจนวันนี้เลยนะอะว่าตายท่ไหนรู้ทำไมถูกพันที่สถานที่เราอยู่ครับ แล้วเหมือนมาขอความช่วยเหลือหรือเปล่า อ, อ๋อคือถ้านับวันจริงๆตายไปได้สองวันก็เท่ากับว่าสองวันนั้นที่น้องทั้งคู่หายไปไม่มาที่ร้านถูกไหมฮะครับเออใช่ฮะโอตอนที่คุณคิงเห็นเขาที่เขามานั่งหน้าตอนนั้นครับทุกอย่างคือมันเป็นปกติแต่ผิดอย่างเดียวคือตัวน้องเปียกเหมือนไปเล่นน้ํามาตามปกติแต่ผมไม่สงสัยมากฝนตก พอๆอยู่แล้วนนี้ออฝนต่ว่าเปียกเยอะไงอืจะเปียกเยอะผมงคนเราไปเล่นน้ําอะไรขนาดนั้นครับแต่ว่าก็ฝนตกนะแต่ก็ยังคิดว่าเล่นอะไรขนาดนั้นวะแล้วก็ลงพูดอยู่เป็นหวงมาเลยเนาะวไม่สบายเด็กคนเล็กกระม่อมบางอ่ะเราก็ยังพูดยังแบบอเหมือนแอบดุวะเนะ่ะเล่นอะไรงั้นเราอันตรายอล้นะมันก็พูดเรื่องนี้นั่นครับทีนี้เนี่ยสิ่งของสําคัญเลยสิ่งของที่น้องพูดไว้ให้ดอกกุหลาบมาอย่างไงเออ แล้วยังไงฮะหมายถึงว่าหลังจากเห็นศพรู้เรื่องหมดแล้วกลับขึ้นไปบนร้านดอกกุหลาบอ่ะยังอยู่ครับอมันเดี่ยวมากมันเก่ามากแล้วมันเปียกด้วยออืแต่ที่สําคัญคือที่แอบอกไม่พูดจะดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเข้าใจผมเข้าใจเขาแล้วเขาขายเขากลัวว่าเดี๋ยวจะเป็นว่าเออแล้วเด็กคนนี้มันยังไงอะไรยังไงเนี่ยแต่ดอกกุหลาบเร่ยมัน มันก็อยู่ที่เราในวันนี้ตั้งทั้งที่เด็กของตายเปแล้วสองวันสักวันอ่าแล้วตัวของคุณคิงทํายังไงกับดอกกุหลาบดอกนั้นอ่ะทําอะไรไม่ถูกพี่ผมนั่งมองกันผมรองไห้อยู่นั่นเลยประมาณสองสามชั่วโมงกว่าผมจะกกับบ้านไหวอ่ะก็คือทิ้งไว้ตรงนั้นผมไม่รู้พี่แอนทําังไงผมไม่ผมไม่หยิบผมไม่จับผมออืผมไม่ทำอะไรยังไงแบงล้อยกับผมผมก็วางไว้่างนั้นนะครับผมทําอะไรไม่ถูกออื แล้วผมยังเป็นช่างเรียกเขาไม่รุ่นกันมาจะข้ามาเป็นหนุ่มอย่างไม่ได้คุยเรื่องอะไรพวกนี้ขนาดที่แบบกันเรื่องเนี้ยทุกครั้งที่ผมพูดคือผมเคยเล่าในชนแนลเองแต่แต่ผมไม่เคยกล้ามาเล่าที่นี่แต่ตอนีมีคนบอกอยากฟังนะเพราะว่าผมพูดทีไรผมก็เป็นอย่างเงี้ยผมผมจําความรู้สึกได้แล้วผมก็ยังคเสียใจมันาจนทุกวันนี้ว่าโอเคเรารู้ว่าเราเราช่วยอะไรไม่ได้หรอกแต่ว่ามันมาขอความช่วยเหลือเราตอนเชิงคือเขามาขอเนี่ย แต่เราก็เป็นคนที่รู้ช้าที่สุดแต่จะวิ่งไปดูศอกเขาได้ทําเนี่ย อ, อถึงต่อให้รู้เร็วนะตอนนั้นเนี่ยเอาโทษนะฮะไปก็คือก็เจอแต่ศอก<ะ>ทําอะไรไม่ได้ทําอะไรไม่ได้แล้วถูกต้องเพราะว่าน้องเสียมาสองวันแล้วับ อ, อ้โออูมาแบบมานั่งอยู่ข้างๆตอนนั้นโดนตัวเขาไหมโดนด้วยพี่ออพี่หัวเล่นอยู่เลยยังเปลี่ยนเลยเหรอ ตอนจับตัวจับหัวน้องเป็นปกติครั้งแรกในชีวิตตั้งแต่เธอเด็กคนนี้มาครับะยะเวลานานเหมือนกันเลยเขาที่เขายอมไม่ผมเข้าใกล้ยอมมานั่งใกล้ๆผมแล้วมองหน้าผมแล้วคุยแบบไม่รู้เรื่องแต่ก็พยักหน้าตามที่ผมพูดครับแล้วก็แตะตัวได้ครั้งแรกเลยออือแต่ปูกพันธ์แบบที่ไม่เคยโดนตัวกันเลยครับปูกพันธุ์แบบที่บางทีเขาบางครั้งเขาจะเล่นเป็นตัวทำท่าเหมือนกลัวผมแต่ก็แอบลงไปหวดล้อกับพี่เองอย่างเงี้ยแต่ววิ่งหนีวิ่งแย่เล่นกันอย่างเงี เศร้าสองเรื่องฮนะเรื่องแรกก็นะเศร้าเรื่องของงานวันเกิดที่ต้องฉลองพร้อมกับความสูญเสียนะครับเรื่องนี้นะดอกไม้ถูกทิ้งไว้ต่างหน้าแทนความสูญเสียเหมือนกันนะเออโอ้น่ากลัวสนุกตื่นเต้นเศร้าครบทุกรสเลยฮนะคุณคุณคิง โอคุ้มมากๆที่โอ้คืนนี้ใครได้ฟังทั้งหมดแปดสายของเรานะคคืนนี้ต้องบอกเลยว่าคุ้มสุดๆแล้วคุณคิงมาก็เหมือนเดิมครับไม่เคยทําให้เราผิดหวังเหมือนเดิมฮะคุณคิงอ้นะครับเยอยนะพี่เจค ม, มีเรื่องที่คนเขาฝากมาเยอะเดี๋ยวผมคงต้องทยอยมาเล่าบ้างแล้วเพราะ ว, ว่าเขาฝากมาเขาไว้ใจเราแต่ว่าแต่ว<อ>่าเราไม่ว่างแต่เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ครับ ได้ถ้าไม่ว่างถนะ้าไม่ว่างเนี่ยมาสัปดาว้วนสัปดาห์ก็ได้คุณคิงไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เขาฝากเล่ามาแล้วคุณคิงเอามาถ่ายทอดต่อไม่เป็นไรไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องคิดมากอะไรเลยเออคนรอฟังเยอะคนรอฟังเยอะคุณคิงครับมีเนะยอะเลยโดยเฉพาะเรื่องของบ้านบ้านที่ผมเกิดไว้หน่อยนะครับบ้านที่มีผีอยู่รวมด้วยเนี่ยที่เรียกว่าผีวิญญาณเนี่ยนับศิษย์ตนแต่เขาอยู่มาได้ถึง สิบหกปีเป็นสิบเลยเหรอแล้วพี่คิงภาพว่าเป็นสิบสิบคนแล้วอยู่มาอีสิบหกปีเลยเขาต้องเจออะไรบ้างอือเอออันนี้น่าน่าฟังน่าน่าสนใจโอ้โหขาพิมพ์ไว้ผมยาวเป็นหนังเล่าจนผมต้องบอกขอผมโทรฟังได้ไหมครับค <c oughs> <universo> รบคันแล้วครับไม่หมด <c oughs> ได้งั้นงั้นอเอาเรื่องนี้ไว้เป็นคราวหน้าเลยคุณคิงขอเลยอยากฟังอยากฟังคราวหน้าค <rench S 1> ุณคิงสะดวกเมื่อไหร่วันไหนบอกพี่บัตรมาได้เลยนะ วันเสาร์ได้ไหมพี่ได้หมดครับวันเสาร์ก็ได้เสาร์หน้าก็ได้ครับครับไม่มีปัญหาโอเคเมื่อวาที่ดีิผมต้องดูสิ่งที่ผมเร่งงานเลยไม่ดีสิเนี่ยก็เลยมาเล่าได้ครอ่าอย่างนั้นคุณคิงลัปากพวกเราแล้วนะฮะเสาร์หน้านะคุณไม่กล้านะอ่ามันอึโชคมอึโชคเลยล็อกเลยล็อกเลยเออโอเคได้คุณคิงคืนนี้ขอบคุณมากมาที่มาปิดท้ายให้ The Coast Radio นะครับอาจจะเท่าวันนี้นะพี่เนาะแต่ว่าเป็นเรื่องที่ อยากจะถ่ายทอดได้ค่ะบางทีมันเป็นเรื่องของมุมของความหลอนผสมกับความเศร้อานะอะไรใช่ไงมอะไรทำให้คนหลายๆคนม่รู้เสียลมหรือเปล่าแต่<ม> ก, ก็เอามาเล่าแบ่งๆกันแล้วนะมันก็ครบรถแหละมันก็ครบรถดีเรื่องผีกับเรื่องเศร้าจริงๆแล้วมันก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่จริงๆส่วนมากมันก็จะเป็นเรื่องของความสูญเสียแหละเนอะโอเ ค, คได้ ค, คุณคิงยังไงขอบคุณมากๆดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะเช่นนั้นนะพี่แจ็ครักษาสุขภามนะครับเสาร์น้าเจอกัน